โรบินฮูดนานมาแล้วในนอร์ิงแฮมอังกฤษมีราชาคนหนึ่งชื่อริชาร์ดราชาลิชาร์ดฉลาดและใจดีประชาชนเมืองของเขารักเขามากอาณาจักรนั้นร่ำรวยและรุ่งเรืองแต่วันหนึ่งเมื่อราชาเดินทางไปอีกเมืองเรือของเขาก็หลงทาง และเขาหลงทางไปหลายเดือนหลายปีแต่ไม่มีข่าวเลยว่าเรือหายไปไหนประชาชนต่างอาลัยราชาของเขาเพราะเขาหายตัวไปน้องชายของเขาจอนขึ้นบันลลังก์แทนแต่จอนไม่เหมือนกับพี่ชายของเขาเขาเพิ่มภาษีแล้วรีดเงินจากคนจนประชาชนก็จนขึ้นทุกวันทุกวันนอตติงแฮมติ้นหวังทันที แต่อย่างที่บอกเมื่อถึงเวลาลำบากฮีโร่มักจะปรากฏนี่คือเรื่องล้าวของชายที่ชื่อโรบินฮูดโรบินฮูดเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในป่ากใกล้ๆกับนอตติงแฮมเขาอยู่กับกลุ่มที่ชื่อ The Merry m แ n เมื่อดูการทำชั่วของราชาจอนโรบินก็เลยพยายามจะช่วยประชาชนเขามักจะขโมยลดนรถม้าของราชา เพื่อเอาทรัพย์สินของเขาหลังจากนั้นเขาจะเอาทรัพย์สินไปแบ่งให้กับคนจนทุกครั้งที่กณนาดเดินทางของวังปรากฏโรบินจะปรากฏออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พร้อมกับเดนแมรี่แมนหวังว่าวันนี้โรบินหูดจะง่วงนะหวังว่าเขาจะไม่ได้ยินเพื่อเราเดินทางผ่านป่าเฮ้ยจะเสียงดังทำไมเล่าชะทา่อย ท่านเออผมจะบอกให้มา้าเดินช้าเดินเบาได้อย่างไรเล่าเราเป็นหูได้ญินเสียงเราเส ม, เมอเราเดินอยู่บนดินนะท่านมันต้องมีเสียงอยู่แล้วพุบปากนะแต่ว่าเขาคิดถูกเราเิ่กับกลุ่มของเขาได้ยินแน่นอนและยู่ดีดไม่นะโจนโจนฉันไม่ใช่โจนแกตั้งหาก นี่คือเงินของคนจนไม่ใช่ของแกไปบอกราชาของแกซะว่าประชาชนเชอร์วูดไม่ได้ตัวคนเดียวเร็วเข้าเริ่มลงมือได้ขอบคนนุณนะโรบินฮูดเราเป็นนชีวิตเขาโรบินฮูดเหรอ นายอำเภอเจ้าอยากจะทำงานอยู่หรือเปล่าเขาปล้นเราอีกแล้วเงินทองของเราหายไปหมดไอ้โจรนั่นมันเอาอีกแล้วเราต้องจับมันตอนนี้เลยเราเราลองหลายครั้งแล้วท่านหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันหายไปเฉยเฉยเจ้าบอกว่าเจ้าทำงานไม่ได้เหรอ ไม่ครับผมจะทําผมจะจับโรบินฮูดเขาคือศัตรูของเราข้อการเราณทานทําทุกอย่างที่ทําได้ข้าไม่สนข้าต้องการตัวมันในอําเภอโกรธมากเขาตัดสินใจหวางกับดักโรบินเขารู้ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทําให้โรบินฮูดมาที่วังทางเดียวก็คือท่านหญิงมาเรีย ท่านหญิงมาเรียนคือหลานสาวของราชาริชาร์ดเธอเป็นหญิงที่สวยและแก็งโรบินเคยเห็นท่านหญิงมาเรียนตอนที่เดินทางผ่านป่าโรบินจมตีรถหนอเพราะคิดว่ามันเป็นรถของราชาแต่ทันทีที่เขาเห็นท่านหญิงเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาเขาวางดาบและทรุดเข่าลงทันทีข้าเออข้า เจ้าเป็นใครมันเป็นรักแรกพบของมาเรียนเหมือนกันข้าคือมาเรียนเจ้าคือโรบินฮูดอย่างนั้นเหรอมอมฉันผิดเองโรบินได้ยินไม่ว่าไหนอำเภอได้จัดการแข่งขันการยิงธนูผู้ชนะจะได้ตัวท่านหญิงมาเรียนไป ให้ดอนโง่มากเลยนี่คือกับดักชดชดทุกคนรู้ดีว่าเราบินฮูดเป็นนักธนูที่ดีที่สุดเราไม่ไปหรอกใช่ไหมเรบินแต่โรบินไม่ฟังเมื่อกี้บอกว่าท่านหญิงมาเรียนเหรอจอร์นนักธนูที่เก่งที่สุดจะได้แต่งงานกับท่านหญิงแสนสวยนั่นเหรอไม่เรบินถ้าเจ้าไปวงังเจ้าโดนจับแน่เลยพวกนั้น จะจำเราได้อย่างไงล่ะข้าจะปลอมตัวโอ้เดี๋ยวนะข้าจะไม่ยอมให้เจ้าไปคนเดียวแน่นอนข้าจะปลอมตัวเป็นในยุคแห่งชัดนี่จะได้เข้าใกล้ราชาจอนตกลงกันได้แล้วพวกเขาก็เดินทางไปที่หวังไม่มีใครจำพวกเขาได้เว้นแต่เอฮ้เจ้าคือโรบินฮูดทำไมต้องทำเสียงทุบตบด้วย ท่านโอ้ท่านเป็นเลขาของราชาจอนี่โอ้ท่านชื่ออะไรเออใช่ท่านฮิสหัวเราะไปเลยฉันจะทำให้แกสองคนโดนจับซะตอนนี้กัดกดแต่ท่านเซอร์ถูกจับใส่ถังเอาไว้ออออตอนนี้ท่านไม่ใช่ท่านฮิสอีกแล้ว ท่ากลายเป็นท่านฮีสในถัง <laughs> เก็ตมุกไหมโรบินฮิสในถังเงียบเนียบไนปะจอไปกันเถอะ <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวก่อนก้าท่านทีนั้นโรบินก็หยิบธนูของเขาขึ้นมา <c oughs> เขายิงลูกศรสามดอกเปลียงกันและคนดูนทึ่งามากลูกศรทั้ง3ยิงโดนกลางเป้าทั้งหมดคนดูเชียร์เขาสุดๆ โรบินถอดฮูดของเขาออกและตามหาท่านหญิงมาเรียนแต่ว่าจับมันเลยนั่นมันคือโรบินฮูดฮ <c oughs> โดนจับจนได้แต่โรบินไม่เจอเขารู้จักคนของเขาดี <c oughs> เร็วไปมัง้งนายอำเภอถ้าไม่ไปโรบินราชาจอของเจ้าหัวขาดแน่โห <c oughs> ไม่ ปลอยพวกมันไปนายอำเภอข้ายังไม่อยากจะตายทหารรีบปล่อยราไปพูดทัน ท, นทีโรบินกับริชันจอดเดินทางไปที่ประตูระหว่างทางออกเขาเห็นท่านหญิงมาเรียนมาเรียนข้าจะมารับเจ้ารอข้านะข้าจะรอโรบินข้าจะรอเมื่อถึงป่าแมรี่แมน ก, นกับโรบินก็เริ่มวางแผน ว่จะเอาท่านหญิงมาเรียนออกมาได้ยังไงตอนนั้นมีชายคนหนึ่งจากหมู่บ้านก็มาหาโรบินโรบินพวกนั้นกำลังจะจับพ่อข้าอะไรนะมาเถอะไปกันเลยโรบินกับแมรี่แมนเดินทางไปที่หมู่บ้บานและเห็นว่าชาวบ้านกำลังทะเลาะกับทหารมันคือคำสั่งห้องรายชาเขาเพื่อภาษีเป็นสามเท่าถ้าเจ้าจไม่ได้ข้าก็ต้องจับเจ้าไปไปขอบคุณโรบินฮูดสิ มันทําให้ราชาโกรธและประชาชนอย่างพวกเจ้าต้องใช้กำเราเป็นคูดเป็นคนดีเขาแค้เราไม่เหมือนกับราชาเห็นแก่ตัวของแกหรอกราชาทั่วนั่นนะกล้าหนียังไงจับพวกมันไม่เดี๋ยวก่อนเจ้าต้องการตัวข้าปล่อยตัวพวกเขาไปไม่โรบินเราไม่อยากจะไปหนีไปซะไม่ให้พวกมันจับข้าเถอะโรบินเจ้าจะทําอะไรเนี่ย ข้าอาจจะขโมยของเพื่อช่วยคนแต่ยังไงข้าก็คือโจรข้าไม่อยากให้เด็กๆหมู่บ้านนี้ทําตามข้าเจ้าจะต้องยืนด้วยกันและลุกขึ้นสู้นั่นคือทางเดียวเท่านั้นลาก่อนเพื่อนๆข้าจะเจอเจ้าอีกชาวบ้านเศร้ามากที่เห็นฮีโร่ของพวกเขาต้องโดนจับแต่เราแมรีแมนจะไม่ยอมให้หัวหน้าของเขาแพ้แน่นอนพวกเขาตามรถม้าไปที่ภูเขาไม่ให้ทาหารพวกนั้นเห็น เราเป็นฮู้ที่เก่งกาจที่ปกป้องคนจนที่ใจดีไรสาระแกคือโจนพวกชั่วพวกนอกกฎหมายแล้วท่านคืออะไรละ่ะท่านท่านขโมยเงินคนจนเงินภาษีประชาชนหายไปไหนทางวางเอาเงินไปทำอะไรเพราะว่าท่านนั่งบันลังไม่ได้หมายความว่าท่านจะขโมยเงินคนจนได้ข้าไม่ใช่โจน เงินที่ข้าขโมยเป็นเงินของประชาชนข้ามีสิทธิ์ในทุกอย่างและคืนให้พวกเขาตามสิทธิของพวกเขารอให้ท่านราชาริชาัดกลับมาก่อนเธอะท่านราชาจะจัดการกับท่านแน่นอนทหารจับมันเข้าคุกใต้ดินซะประชาชนนอตติงแฮมตกอยู่ในอันตรายฮีโร่ของพวกเขาโดนจับแต่มรี่แมนจะยอมแพ้งั้นเหรอทักนายจะทำอะไร ไฟไหม้ไห้หนีเร็วไฟไห ม, ม้โรบินมาเร็ววังกำลังไฟไหม้ทำไมถึงอยากจะช่วยข้าข้าไม่ชอบราชาจอเหมือนกันข้ามองเขาผิดไปไปกันเถอะโรบินไม่เชื่อใจในายอำเภอแต่เขาก็ต้องหนีเขาตามนายอำเภอไปที่ดาดฟ้ายังไงต่อข้าชนะแล้วล่ะฮ่าฮฮเจ้าจะไปไหนละ่ะโรบิน ข้งล่างน้ำลึกมากและมีธนูคอยยิงเจ้าทุกแหง่งข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่จะเชื่อใจได้ลาก่อนโนมากมันไม่มีทางรอดแน่เตโรบินบูตรอดได้เขาว่ายน้ำผ่านคลองและขึ้นไปที่แม่น้ำในป่าโอ้หวังว่าคนของเราจะปลอดภัยนะ แต่ที่หวังเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นราชาริชาร์กลับมาในอาณาจักรของเขาแล้วหลังจากที่ไฟดับประชาชนนอตติงแฮมมารวมตัวกันที่วังเพื่อฟ้องเรื่องราชาจรและนายอำเภอขอทษประชาชนของข้าด้วยข้าจะไม่ทนแน่นอนเจ้าทำข้าผิดหวังจรราชาจรนเซอร์ฮิสและนายอำเภอต้องโดนจับทันที ยังข้าขอละทันหุบปากเน่ะเจ้าไม่เคยจะหุบปากเลยใช่ไหมข้าขอสั่งให้ปล่อยแมรี่แมนและถอนคดีเรบินฮูดทั้งหมดชายที่กล้าหารอย่างเขาควรจะได้รางวัลพาเข้าไปที่วังด้วยเกดเย้ ราชาลิชาร์รู้ว่าหลานสาวของเขารักโรบินฮูดและอยากแต่งงานกับเขาเขาดีใจมากที่จะให้หลานสาวของเขาแต่งงานกับชายที่ดีอย่างโรบินนอตติงแฮมดีใจเพราะว่าฮีโร่ของเขาได้รับความเคารพและได้รางวัลโรบินฮูดอยู่กับท่านหญิงแมรี่นในป่าเชล ว, วูดมีความตกในชีวิตแบบเรียบง่ายทั้งสองเต้นดาและร้องเพลงกับประชาชนนอตติงแฮมโรบินฮูดกับแมรีแมน จะเลิกปล้นเงินในนตติงแฮมอีกต่อไป